สำหรับในวันนี้จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในด้านเทวาตานุสติกรมฐานแต่ถ้าว่าการเจริญกรรมฐานขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อฟังเรื่องของพระธารุจิริยะไม่แล้วก็ขอให้ถือปฏิปทานนั้นเป็นสำคัญเมื่อกำลังใจของท่านในสมัยที่บวช อยู่ในเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมพระนามว่าพระพุทธกระสบศาสนาตอนปลายศาสนาเสื่อมใกล้จะเสื่อมถึงที่สุดซึ่งบรรดาพระทั้งหลายนพระวิสุสมณเณรส่วนใหญ่ไม่มีความเคารพในพระธรรมวินยัยทั้งเจ็ดท่านตั้งใจประพฤติสมณาธรรม เวลานั้นความจริงพระพุทธเจ้าทรงปริพานแล้วก็เหมือนสมัยนี้แล้วสองท่านผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ดีคือท่านที่หนึ่งสามารถบรรลุอรัตผลได้ภายในคืนนั้นวันที่สองอีกท่านหนึ่งก็สามารถทำไม่ได้พระนาคามีผลสำหรับอีห้าท่านก็มีจิตใจเหนียวแน่น ไม่ยอมละวิิยะอุตสาหะของตนไม่ยอมรับพัตนาหารที <c oughs> ่ทั้งสองท่านมาถาวายต้งนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษเพียงใดเราจะไม่ยอมกินอาหารของใครเด็กขาดแม่โตจะตายก็ตามทีนี่กำลังใจอย่างนี้ระวันดาท่านฟุตรบริษัท <c oughs> เขาจริงจะได้คุณธรรมวิเศษไม่ใช่ว่ามันนั่งเวลาเจริญพร ะ, าาะกรรมฐานแล้วก็มันนั่งกลัวตายเห็นภาพนั่นเห็นภาพนี่กลัวโน่นกลัวนีวน่ถ้าอย่างนี้นานหน่อยบางทีอาจจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าอีกประมาณทั้งยี่สิบองศ์เศษจริงจะได้บรร ล, ลุอรหัตผลเป็นอันว่าขอท่านบันดาลท่านพุทธศาสนิกชนจำคําที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ก, กับพระพายะ เธอทารุจริยะว่าเธอเห็นรูปแลป้วเพียงเจะเพียงสักแต่ว่าเห็นเห็นรูปแล้วอย่าสนใจในรูปเพราะรูปมันไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกรูปมันเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมอธิบายนะท่านกล่าวสั้นๆว่าเห็นรูปแล้วจนยงจงอย่าสนใจในรูปท่านพูดแค่นี้แค่นี้เองก็ปรากฏว่าท่านทารุจริยะสาเร็จอนาตตาผล นิวันดาแต่พุทธศาสนาไกชนนี่ก็เช่นเดียวกันเราพอใจในธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ในชาตินี้ต่อไปถ้าพบองค์สมเด็จปจินณสีที่มีนามว่าพระศรีอาริยะเมตยรยคือระวังอย่าให้ใจของเรามันลงนรกเสียก่อน เมื่อนั้นพระศีอริยเจ้าก็จะสามารถเทศให้แก่ท่านเพียงห้ข้อสันส้นๆท่านก็จะได้รู้มาผลเช่นเดียวกับท่านพาหยะเมื่อทารุจริยะจงถือปฏิบัตานั้นไว้สำหรับวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเทวตานุสติกรมฐานคำว่าเทวตานุสติแปลว่านึกถึงความดีของเทวดา ตอนนี้เราก็มาต้องนั่งพิจารณากันว่าเทวดานี่มีดีอะไรที่เราจะต้องไปนึกถึงท่านคำว่าเทวดานี่แปลว่าประเสริฐที่นั้นเทวดามีความดีหลายอย่างอย่างมีกายเป็นทิพย์ไม่เกยไม่แก่ไม่ป่วยเวลาจะจะทำกิจการงานใดๆก็ไม่มีสุขสิ่งทุกอย่างสําเร็จเรื่องน่าของบน จะไปไหนก็ไม่ต้องใช้พานะร่างกายไม่สุดโทมนี่เป็นความดีอันหนึ่งแต่ความดีส่วนนี้เป็นผลความดีที่เป็นเหตุที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้นมีสองอย่างที่เรียกันว่าเทวธรรมเ <c oughs> ทวธรรมแปลว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา <c oughs> ก็คือหนึ่งฮิริความระอายแกใจสองโอตปะความเกรงกลัว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 นัก บ, บริยัตหาความรู้รอบๆนักปฏิบัติหาความรู้เพื่อบรรลุมรรคผลเจนั้นวันนี้สำหรับเทวตานุสติกรมฐานก็ยะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านในแนวทางแห่งการปฏิบัติเทวตานุสติกรมฐานนั้นมีทำสองอย่างคือฮิริความอายโอตปะความกลัว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 ทำลายลงนรกได้สบายนลัาจากนรกกว่าจะมาเป็นเปรตช่วยจะเป็นอสุรกายกว่าเป็นสัตว์ฉันนี่กวา่าจะมาเกิดเป็นคนมันนานนักข้อ น, นี้นอกจากอายแต้ว่าคนกลัวจะกลัวด้วยหรือไม่หน้ากลัวนะควรจะกลัวว่าเกิดมาทั้งทีกลับตั้งต้นใหม่นี่มันสวยเต็มทีไม่ใช่ของดีของเด่นมันเป็นของเลว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 ศีลเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์ศีเลนโภกรสมธาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีโภกกุศบัติมากศีเลนะนิภุติยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าพระนิพพานได้โดยง่ายมีทางกับศีลสามรา ก, การนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงทรงตัวให้มันย่งให้ขาดทน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 นั่นก็คืออบรมใจในด้านสมถกรรมาฐานมิปสนากรรมาฐานสมถกรรมาฐานเป็นอ ม, มบายสงบใจมีทั้งหลายมีทั้งสี่สบแบบแบบใดแบบหนึ่งก็ได้เราชอบใจแบบไหนทำแบบนั้นวันนี้ว่ากันเรืองเรื่องเทวาตานุสติกรมาฐานก็แบบของเทวาตานุสติกรมาฐานเป็นเครื่องไว้จาใจว่าเราเป็นคนขี้อาย อายความชั่วทุกอย่างถ้าเราให้ทายการทรงเคราะห์ไม่ได้เราก็อายนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำใจของเราให้ทรงธรรได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำสมาธิให้ทรงตัวได้เราก็อายเราไม่สามารถจะทำมิปัสนายานให้ทรงตัวได้เราก็อายถ้าเรากลายเป็นคนโลก เราก็อายโลกถ้าเป็นคนมักโกรธเราก็อายโกรธถ้าเราเป็นคนหลงก็อายหลงหลงตรงไหนและหลงตรงรูปแล้วฟังเรื่องทันทาเจทันทารุจริยะมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เป็นปะทั ฐ, ฐานว่าองค์สมเด็จพระพิตรมารสมเิสว่าเมื่อเห็นรูป ก, ก็เป็นในเพียงศักด์แต่ว่าห็นอย่าสนใจ รารูปมันมีสภาพไม่เที่ยงรูปมีสภาพเป็นทุกรูปมีสภาพสลายตัวไปในสุดเจอรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถกุก็ไม่มีอะไรจีิรังย่างยืนคนเกิดก่อนเราตายไปไม่รู้เท่าไรญาติของเราถ้าจะเสบสาวเราเรื่องไปมีมากมายเหลือเกินถอยหลังต้องไปแต่ว่าที่เรารู้จักนั้นน้อยกว่าคนที่เราไม่รู้จักเพราะท่านตายไปนานแล้วเราจะไปสนใจอะไรกับรูป ใ น, นเมื่อเรามาศึกษาข้อนี้แล้วเพื่อความแน่นอนของจิตเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเกิดเป็นทวันดาแล้วก็ต้องกลับมาเกิดในเป็นคนแล้วกลับไปเกิดเป็นนรกแปลงหน้าของวัาตตะสงสารก็ไม่เป็นการสมควรควรจะป้องกันอบายภูมิเส้นเลยนั่นก็คือว่า เราหาทางอายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนก็ดีตส์สก็ดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, ตนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางต้องตายไปในที่สุดเราก็มาคิดตังตอนนี้ว่าชีวิตตีนสีของเรานี้จะตายเมื่อใดก็ได้เช่นพระธารุจัริจรจิติยะ ท่ากราวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากบบระมดดาพระทั้งหลายว่าช่วงใ เ, เวลาบินาบายขององค์สมเด็จพระจอมไตรใจผมรออยู่นี่ผมรอไม่ได้ผมต้องตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรพระมาสซาสันดาให้ได้เพราะว่าผมไม่มั่นใจในชีวิตของผม แล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีนี้ต่างคนต่างอาจจะตายก็ได้เราก็ยงคิดถึงตัวเราเช่นเดียวกันว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไรก็ได้ได้ก่อนจะตายเราก็ต้องแบกความดีบรรจุความดีไว้ให้เต็มอย่างน้อยดีสุดเราจะป้องกันอวัยภูมิให้ได้ อันดับแรกก็มาพิจรารณาถึงพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าศีลที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ดีหรือชั่วกว็มานั่งคิดเฉพาะกรัววัดพระเนรว่าตามสิ่งของตนว่าการทําร้ายสิ่งกันอะกันดีไหมเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเรา เราตีเขาเขาก็ตีเรามันไม่ดีแล้วก็เลิกคิดในการที่จะวิค่าเค็งฆ่าคนและวิฆ่าเค็งฆ่าสัตว์ชีวิตของใครใครก็รักเมืา่อจะจะคิดจะไม่คิดในขาดวิฆ่าเคิงฆ่าแล้วจิตกันน้อมไปในความเมตตาปรานีเส้นจะทรงตัวได้เพราะอาศัยเพราะมีหารสี่ประจําใจเกอฑหนึ่งมีความรักสิ่งกันอะรกันเป็นปกติ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 รักทรัพย์รักสิกสนขโมยของขโมยได้ยื้อแย่งความรักไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่เดื่มสุรามีไรเพราะรักของสายคนที่อยู่ที่บ้านท่านจะเห็นว่าพระมีอหารสี่เป็นอาหารสําคัญสําหรับศินเป็นตัวเรียงศินให้บริสุทธิ์ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริสตังหลายปรารบความตายเป็นปกติมีความคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราจะตายเมื่อไรก็ได้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 ฟังเทเจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเดี๋ยวเดียวท่านก็ตายนิพพานเพราะท่านเป็นอรหันต์ฟังแล้วไม่ทันจะจบเพียงแค่ว่าท่านกล่าวว่าเธอเห็นรูปแล้วจนอย่าสนใจในรูปเท่านี้ท่านได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไปด้วยปฎิสมิทา ย, ยานพระพุทธเจา้าทรงรับรองเมื่อเมื่อกี้เวลามันหมดอ <c oughs> แต่ตอนท้ายก็ไม่มีอะไรทรงรับรองตอนนี้เท่านั้น เป็นอันว่าเราก็ต้องกําหนดจิตอย่างนั้นว่าเราจะแน่หรือว่าเราจะโย่ไปกี่วันเมื่อเราไม่แน่ใจก็สร้างความดีเข้าไว้ยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระจอมไทยบรมศาสตร์สนดาคือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถืพ อ, บพพอพระอริยสงฆ์สําหรับพระสงฆ์เนี่ยจะมาจํากัดลงไปเฉพาะพระอริยสงฆ์ เพราะว่าท่านที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจา้าในไม่แน่นักบางทีท่าข้างนอกดีข้างในเสียถมเถีไปใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีควรเคารพนับถือไหมแต่เห็นว่าควรเคารพนับถือก็ยึดท่านท่านทั้งสามรายการเป็นสารณาคมคือเป็นที่พึ่งเอาจิตจับ ในบัพตะคุณบัตธรรมคุณบัตสังฆคุณจะภาว น, นาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธคำเดียวก็ได้อย่างเดียวไม่ต้องธรรมโมสังโฆว่าพุทโธแล้วก็ถึงธรรมโมสังโฆเองให้เกิดเกิจำอยู่ในจิตสั้นดานเป็นปกติอย่างนี้ชื่อว่าท่านมีความเคารพในไตรสรณาคมตั้งสามรายการครบถ้วน เมื่อมีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็ตัดสินใจว่าเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดยังไงยังไงเราไม่ยอมให้สิงขาดแน่นอนเป็นนุว่าเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าทรงศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เป็นนั้นว่าคุณธรรมดังสามรายการคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2ครอบในประพุทธประธรรมประสงค์สมมีสินหบริสุทธิ์สำหรับครวัตในนองสินสิบพระตองสิน2องีเพียงเท่านี้องค์สมเด็จไปรินาสีบุตรมัสสนดาสมมาสมุทธเจ้ากล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูดาบันเพียงเท่านี้เราจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราก็คนอายตัวเอง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 อายความดีเดิมของเราก่อนเกิดแล้วก็กลัววบยภูมิที่จะต้องลงแน่นอนท่านี้การกระทำจิตอย่างนี้เพื่อความดีตามที่องค์สมเด็จเปชินวรบรมศาสนดาทรงตรัสว่าแค่ประโสดาวันยังไม่พ้นจากวตาสงสารคึงก็ต้องเกิดเป็นทิันากับคนลุภพรมสลับกันไป เพื่อหวังตัดกำลังใจให้เข้าถึงสุดของขวาที่สุดของความสุขคือพระนิพานก็จับเอาว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามานที่เทกัท่านทารุจริจิริยะหรือท่นานพาหิยะว่าเธอเห็นรูปแล้วจงหยาสนใจในรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นแปลว่างยงหยาสนใจมีหมายความมาขึ้นชื่อว่ารูปของเราก็ดี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 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรจะพิจารณาเกิดเห็ น, านาได้ไง่ายๆเพราะเป็นของไม่ยากแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าในมหาปฏิปทานนสูตรซึ <c> ่ง <oughs> ทุกตอนของมหาปฏิปทานสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าทรงตรัสว่าเธอเห็นรูปกายแล้วจนนึกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเพียงสักตะวันเห็นไม่สนใจ แล้วเธอจงไม่สนใจในกายกายภายนอกคือกายของเราเองด้วยเธอจงไม่สนใจในกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นด้วยและก็ไม่สนใจในิทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยคิดว่าสิ่ง voilà ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนิจ like จังไม่เที no, yeah, no, ่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นทุกขังเป็นทุก์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา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 อารา บ, บนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เรื่องเทวตานุสติกรมฐานมองดูเวลาก็หมดแล้วก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้